ตั้งใจตัวชนรบริษัททั้งหลายโอกาสตอไเปน็นดีว่าอยาขอปรารบสมาบัตคือตั้งแต่สมาบัตหนึ่งถึงสมาบัตแปดคำว่าสมาบัตในที่นี้ก็หมายถึงฌานเราตนเองแล่ว่าที่แรกเราคิดว่าจะไม่นำเรื่องนี้มาพูดเพราะคำสอน ที่มีอยู่ในคัตเศษต่างๆก็มีถึงสมาบัตสี่อยู่แล้วความ จ, จริงการเจริญสมาบัตถึงสมาบั ต, ส, บตสีก็พอพ อ, อที่จะ ม, มาลุมาผลได้ถึงอรหัตผลนีน่คำว่ า, าสมาบัตแปก็ได้แก่รูปฌานอีกสีสมาบัตแปดในรูปฌานก็ได้แก่ฌานสี่สนั่นเองไม่ใช่มีฌานอะไรเป็นกรณีพิเศษ เป็นได้เพียงว่าเปลี่ยนจากรูปฌานเป็นารูปฌานเท่านั้นแต่ถ้าว่ามีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านมาถามก็อยู่เสมอว่าความรู้ที่ศึกษาซึ่งจำตั้งแต่สมาบัตหนึ่งถึงสมาบัดแปดทั้งอะไรจะออกมาสักทีหนึ่งในเมื่อเป็นอย่างนี้อาตมาก็ขอนำเอาความรู้ที่มีมาในพระไตรปิฎก อเอาเลยโปรดอย่าลืมว่าที่นำมาพูดนี้ไม่ใช่ความรู้วัตถามาอาตถมาร่ำเรียนศึกษามาได้เพียงใดก็ตามในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอมาพูดแค่นั้น <c oughs> ถือว่าเป็นการแนะกันในความจริงพระพุทธเจ้าตั้งก็แค่แนะเท่านั้นถ้าไม่ได้จำจีจำใจดัง น, นั้นว่าขอเริ่มต้นเลยทีเดียว สำหรับท่านนักปฏิบัติที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงสมาบัติแปดอาจจะมาจะขอพูดตรงเพราะว่าจะไม่ต้องเสียเวลากันมากในราการหนึ่งเงินทองที่ท่านจะต้องอเสียไปเนื่องจากการรับฟังหรือมันด้มาจ้างเราจ้างให้ฟังได้จ้างให้สอนเพราะว่าจะต้องที่คัดเศษหรือว่าเทปไปฟังที่ต้องไม่เสียสตยตังกันมาก <c oughs> สำหรับท่านที่จะปฏิบัติเจ้าถึงเสมา บ, บัตแปดนั้นการที่จะขึ้นอันดับต้นท่านจะใช้อะไรก็ได้อ น, นาปานุสติกถากรรมฐานก็ได้หรือว่าในอนุสติสิบรายการนี้ก็ได้ในเกสินสิบก็ได้ในสบสิบก็ได้ในหาเรบริโกสัญญาในธาตุสีในพมีหารสี่ก็ได้ทั้งหมดนระยะการเริ่มต้น เพราะว่าการก้าวเข้าไปหาสมาบัตสี่นี่ท่านไม่จำกัดก็มีจิตมีความสำคัญยู่ตอนต้นเท่านั้นคืออารมณ์ฟุ้งอารมณ์สั้สนถ้าตัดตัวฟุ้งสามารถระงับตัวฟุ้งเสยนได้แล้วก็หมดเรื่องกันตอนนี้เราจะก้าวไปหาสมาบัตหนึ่งสมาบัตสองสมาบัตสามสมาบัตสี่ทั้งสมาบัตแปดั้งก็เป็นของไม่ยาก มันยากกันแต่ตัวตอนตัวขึ้นตนเท่านั้นเหมือนกับการเรียนนังสอือยากในขั้นอนุบาลหร่อท่้นบทถมปีที่หนึ่งที่สองนอกจากนั้นไปก็เริ่มสบายเสมหรบบในตอนนี้ก็ขอตั้งจุดไวส้สำหรั บ, บท่านที่เฟื้อสมาบัตแปดเลย และดีไม่ดีก็จะขอพูดไปจบถึงบริสัมมิทายานเลยเพราะว่าสมาบัติแปดนี้เป็นปัจจัยให้เป็นพระอรหันบริสัมมิทายานเริ่มต้นที่จะฝึกเพื่อสมาบัติแปดขออัญดณีท่านพุทธบริษัทเอากระสินสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มาปฏิบัติตามชอบใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่หนักกว่ในโทสาจริตควรจะใช้กระสินสีบริการคือหนึ่งกระสินสีแดงสองกับสินสีเหลืองสามกับสินสีขาวสี่กับสินสีเขียวสรับข้อกับเปนิดไปเป็นไรนะเอากระสินอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตั้งเป็นประทัดฐาน เมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็จับกระสินให้ทรงตัวไม่แย่อกระสินอะไรกันดีสําหรับกสินสีอย่างนี้ท่านกัท่านตั้งไม่ว่าจะเพราะท่านที่ป็มีโทสัจริตเท่านั้นสําหรับกสินนี่หกอย่างเอกรสินปัตตวีกระสินกรสินดินอาปโปกระสินกระสินน้ำ เตโชกสิงกสินไฟวายูกสิงกสินลมแล้วอโอละอากาศกสิงกสินอากาศเรียกว่าอาโลกสิงแสงสว่างหกอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นกรรมฐานกลางเป็นกสิงกลางแล้วก็อรูปอีกสี่อย่างเป็นกรรมฐานกลางปฏิบัติได้แก่บุคคลทุกจริต จะเป็นราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตสัทธาจริตพุทธจริตปฏิบัติได้หมดเพราะเป็นของกลางเหมือนกับน้นําในแม่น้ําใครใครจะมากินก็ได้แต่ว่าถ้าน้ําในตุ่มในบ้านของเขาจะกินต้องขอเขาก่อนแต่ของมันอยู่ในแม่น้ําอยู่ในทะเลอยู่ในหนองท่านหนองไม่มีเจ้าของก็ไม่เป็นไรไม่ต้องขอเป็นของส่วนของสาธารณะ นี่สำหรับกระสินหกอย่างนี่ก็เหมือนกันถ้าจะเอาอย่างไหนตามชอบใจแต่ว่าจะขอแนะนำเอาง่ายๆเอากระสินที่เห็นง่ายๆเอาอะไรกันดีเอากระสินดินดีไหมจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันก็เหมือนกันเอาที่เราชอบใจตั้งขึ้นตั้งองค์กระสินกระสินอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น มีธีตั้งองค์กระสินก็ไม่มีอะไรมากถ้าเราจะใช้กระสินดินก็ใช้กระสินดินที่มีสีอรุณคือมีสีแดงเรีว่าดินแดงเอามาวางไว้ข้างหน้าจะทําเป็นก้อนแล้วจะแผ่เป็นวงกลมไว้ข้างหน้าก็ตามใจอเดมาจะไม่บอกขอบเขตเพราะมันไม่มีความจําเป็นที่ว่าไม่มีความจําเป็นก็เพราะว่าเคยทํามาแล้ว ยังไงก็ได้ดิ้งขุยปูใช้ได้เลยเอามาวางภาคนาลืมตาขึ้นมาดูจำภาพดินนั่นไว้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินแล้วก็ถามว่าภาวนาว่าอย่างไรไหมตอบกันง่ายๆดีป่ะภาวนาวัดดินดินดินอย่างนี้ดีไหมอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนลูกชายพระลูกชายก็ในช่างทอง ให้วิจารณาโลหิตกระสินคือสีแดงลืมตาดูสีแดงหลับตาให้นึกว่าสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงเวลานึกไม่ต้องไปว่านะว่ามันเลยนะไม่ต้องไปนั่งภาวนานึกจําภาพกระสินไว้เท่านั้นเองว่าสภาพวัตของกรสินเนี่ยก้อนดินที่มาวางไว้เนี่ยมันมีสภาพเป็นยังไงมันมีสีสันมันณ่เป็นยังไงจําสีจาภาพนึกให้เกิดขึ้นในใจ สร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้นในใจในเวลาในตอนต้นๆคงจะไปกันนานไม่ได้นักเพราะว่าสภาพจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นสภาพบินรนมีอาการโยกโครงเป็นปกติแต่เดียวๆภาพดินก็จะเลือนหายไปจากใจเมื่อภาพดินเลือนหายไปจากใจแล้วก็ลืมตามาดูใหม่ ลืมตามาดูสภาพของดินเมื่อดินก้อนนี้รูปร่างมันเป็นยังไงสีสันวันน้าเป็นเป็นยังไงจะลืมตาดูนานเท่าไหร่ก็ได้แล้วโปรดอย่าไปจ้องจนทั่งน้ําตาไหลแสบตานี่เคยมีคนมารายงานหลายคนอนแนะนําไปบอกว่ากลับไปบ้านไปดูปร พ, รปพระพุทธรูปจําภาพพระพุทธรูป แต่ที่ไหนใดไปนั่งจ้องตาเป่งมาบอกว่าจ้องจนกระทั่งน้ําตาไหลแสบตานี่มากไปอย่างนี้ใช่ไม่ได้ <c oughs> เลยครูคําว่าเลยครูพือครูคือพระพุทธเจ้ามาเรียสอนอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนกับพระลูกชายในช่างทองบอกว่าลืมตาขึ้นมาดูจําภาพสีแดงไว้เวลาหลับตานึกถึงภาพ ก็คิดในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงตอนนี้สําหรับพระลูกชายในแคมปทอนนั้นท่านมีโทสะจริตมากเพราะพระพุทธเจ้าให้กับสินสีแดงตอนนี้เราแล้วล่อกระสินกลางเพราะจะมีจริตอะไรก็ได้ทําได้เหมือนกันหมดตอนใช้กระสินกลางก็จําภาพดินดูจําให้ดีนึกว่าจำได้ดีแล้วตอนนี้ก็หลับตา หลับตานึกถึงภาพดินนั้นถ้าอย่าภาวนาแล้วไม่ภาวนาไม่สําคัญไม่ได้บังคับเพราะที่ทำมาแล้วเนี่ยไม่ได้บางทีพราะกับภาวนาไม่จําเป็นนั่งจําภาพไปเฉยๆดีกว่าไม่เหนื่อยภาพไปก็ต้องเลือนไปสักครู่หนึ่งมันก็เลือนไปมันไม่ถึงครู่บางทีไม่ถึงสองนาทีจนะหายไปแล้วหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ดื่มตาดูเพให้ชื่นใจ จำมใม้ดีดูบาราลักษณะมันเป็นยังไงสีเป็นยังไงนั่งดูดูเวลาดูก็ใจจ้องจับอยู่ที่ดินอย่างเดียวก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเหมือนกันไม่ใช่ว่ใจใช้ได้แต่หลับตานั้นลืมตายก็ใช้ได้อารมณ์จิตเป็นสมาธิพอทำท่าจำได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินทำไปอย่างนี้เรื่อย และเวลาทําเขาได้โปรดอย่าคิดแนวว่าเดี๋ยวเดียวนมันจะได้ความจริงแก่สินนี่เป็นกรรมฐานที่สร้างได้ง่ายที่สุดเพราะเป็นกรรมฐานหยาบทรงอารมณ์จิตได้ถึงสมาบัตสีทุกอย่างแล้วก็ถ้าอยาถามว่าทําไมท่องมานั่งสอนแก่สิงกัน อย่างอื่นได้ไหมก็ต้องตอบว่าก็บอกแล้วว่ากรรมฐ า, านเรื่มต้นตั้แต่สมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติสี่อะไรก็ได้ <c oughs> แต่ว่ากสินนี่ต้องเป็นภาคพึ้นของอรูปสมาบัติเพื่อเป็นอรูปสมาบัติคื อ, อรูปประชา้ขึ้นต้นกสินเส่นเลยถ้าว่าไม่ต้องการในรูปประชานจะขึน้นกรรมฐ า, านบทไหนก็ได้ในสี่สิบกองเนี่ยในสี่สิบบทใช้ได้หมดทุกอย่าง นี่ก็หนะใดที่จําภาพกระสินไม่ได้บ้างพอเดี๋ยวหนึ่งมันก็หายไปแล้วเซกคู่หนึ่งพอหายไปแล้วนึกมันได้จากภาพกระสินใหม่แต่ว่าใหม่ๆนะพอนึกมันได้ว่าภาพหายพอมันคิดอะไรต่ออะไรพลาเพลันเ ล, เลยไปพอนึกตัวเองแล้วกันเราพลาดท่าเสร็จแล้วสิ <c oughs> นี่ภาพกระสินหายไปเสแล้วนึกถึงภาพกระสินมามันนึกไม่ออก มันบางอุเฉยๆถ้าบางเฉยๆก็ลืมตา ม, มาดูใหม่จำใหม่จำได้ดีแล้วลืมตาไม่แต่ก็กำหนดเวลาพอสักนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีไม่ว่าจำให้ติดใจจำให้พอใจแล้วก็หลับตานั่งนึกถึงภาพประสิทธิตอนต้นๆอย่างนี้สำหรับท่านที่มีกําลังใจไม่เข้มแข็ง <c oughs> อย่าเข้าใจว่าเราจะทำได้ภายในเจ็ดวันหรือสิบวันบางทีท่านต้องย่ำเท้าไปถึงหนึ่งเดือนและก็มีหลายหลายรายเปอร์เซ็นต์สูงย่ำไปทั้งสามเดือนยังไม่ได้เลยที่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากำลังใจไม่เข้มแข็งพอ อย่าไปโทษวาสนานมะบารมีใช่ก่อนแล้วมีบารมีไม่พอมีบารมีไม่ถึงไอ้บารมีนี่ก็แปลว่าะวะกําลังใจนะบารมีนะ่าจะไปแปลมันเป็นอย่างองื่นกําลังใจมันไม่เต็มกําลังใจมันไม่เต็มก็เพราะว่าขาดอิ่ที่บาทซีชั้นทะความพอใจที่จะเพ่งภาพกระสินมันขาดวิริยะ เมื่อภาพหอยไปน่าเข้าน่าเข้าเลยขี้เกียจ <c oughs> <c oughs> ไม่มุ่งมั่นทำจริงจรงจริงจัตะไม่ไดเดาใจจดจ่อในเรื่องนั้นโดยเฉพาะมีมังสา ต, งต้องใช้ปัญญาไว้ที่มันจำไม่ได้เพราะอาศัยอะไรต้องดูการนั่งการปฏิบัติเอาจริงนี่ต้องพร้อมทุกอย่าง การนั่งต้องตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นวางดือมือวางเท้าแบบไหนถ้าวันไหนทำแล้วมีความรู้สึกสบายมีจิตทรงตัวมีความสุขจากภาพกระสิงก็ได้ดีไม่แบบนี้พระโมราณาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านบอกว่าเมื่อเวลาจะเลิกอย่าเพิ่งขยับกายเสียก่อน ลืมตาขึ้นมาแล้วก็สังเกตว่ามือวางแบบไหนเท้าวางแบบไหนตั้งกายตรงแบบไหนมันสบายให้จําท่านั้นไว้เวลาจะทําใหม่ให้ทรงกายไว้แบบนั้นนี่เป็นวิธีฝึกใหม่ๆนะ <c oughs> ต้องทราบไว้ด้ว่าเป็นเวลาฝึกใหม่ๆไม่ใช่วันหนแล้วถ้าทําอย่างนั้นอีกทรงกายแบบนั้นอีก มันจิตมันก็จะสบายตามเดิมถ้าหาว่าท่านจะมาถามว่าทำไมมันถึงจะสบายตามเดิมก็เพราะว่าในตอนต้นอารมณ์จิตมันยังไม่ทรงตัวมันยังไม่ชินนี่การที่จิตกะสับกรสายมีอารมณ์ไม่เสมอกันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีมันเกี่ยวกับลมภายในคือลมให้ใจของเราเนี่ยแหละไม่ ว, ว่าลมที่พัดภายใน ถ้างอหลังเกินไปลมมันเดินไม่สะดวกมันก็อึดอัดงายเกินไปก็ไม่เป็นเรื่องตั้งตัวตรงถ้าตรงลมดีแต่ว่าบางคนตรงมากผมก็ไม่ดีนี่ต้องดูท่ากันด้วยตอนนี้เราจะฝึกกานดีมันก็ต้องละเอียดสักหน่อยเคยทำในลักษณะไหนได้ดีต้องทำในลักษณะนั้น มีการที่ภาพกระสินจำได้บ้างเดี๋ยวก็หนีไปหนีไปพนจิตกลับมาเรื่อยๆคํามานันหนีภาพไม่หนีจิตมันหนี <c oughs> จิตมันคิดในเรื่องอื่นฟุง้งซ่านหันกลับมานึถึงภาพกระสินมีจําได้บ้างนึกเห็นได้บ้างไม่ได้บ้างต้องลืมตามาดูลืมตามาดูแล้วจําได้ก็หลับตาไป ลืมมันภาพมันหายไปก็ลืมตามามาใหม่บางทีเมื่อภาพหายไปนึกขึ้นมันได้นึกถึงภาพกับสินึกเห็นรางรางนึกเห็นรงรา ง, น, น, ง, รางนึกจําได้ในใจนะไม่ใช่ภาพมันลอยอยู่ข้างหน้าอย่างนี้จะเรียกว่าคณิกาสมาธิยังย่ีไกลไกลจะขับมาสมาบัติ <c oughs> เมืนน่อขณะกาศสมาธิหาว่าท่านจะถามว่าทำกี่วันน้มันจะได้ฌานล่ะสมาบัติต้นก็ต้องตอบว่าถ้าคนที่มีกำลังเข้มแข็งจริงๆกำลังจิตเด็ดเดียวมีอิทธิบาทสี่ครบทนไม่เกินสามวันตอบง่ายๆ ตอบง่ายๆว่าไม่เกินสามวันนะไอ้ไม่เกินสามวันนี่เขาได้สมาบัตสี่กันนะไม่ใช่ว่าไม่เกินสามวันนั้นได้สมาบัตหนึ่งถามว่ามีไหมต้อนตอบว่ามีเยอะนี่บางคนเขาพักเดียวคนได้เลยอย่างพระลูกชายในช่างทองนั้นพระพุทธเจ้าให้ทําเป็นงครูเดียวเธอได้สมาบัตสี่ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเขามีอารมณ์ใจเข้มแข็งนี่ก็ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าการทรงอารมณ์นี้มันไม่แน่นอนบางวันเราสามารถจะทรงอารมณ์ใจได้ดีแต่บางวันร่างกายดีกว่าเตรียมการเตรียมพักผ่อนไม่ดีกับอารมณ์ฟุ้งซ่านทรงเอากำลังใจไม่ได้ดีอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ การส่งอารมณ์ด้วยการละมัะ่ะันในกายการตั้งใจเป็นสาคัญย <c oughs> ำตรงนี้ไว้ว่าเดียกลุ่มนี้ต่อไปสำหรับการฝึกกรสินนี่จะแนะนำให้ที่ก็ฝึกกันได้ดีนะจำภาพกระสินได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างเถอะเวลาเลิกจากนั่งการทำนะั้นไม่ต้องนั่งอย่างเดียวก็ได้ จะนั่งคาตะไมา์คนได้จะนั่งพับเทียบคนได้จะนั่งเก้าอี้ห้อยขาก็ได้จะนอนแต่แขงไส้แต่แขงควาจะนอนหงายจะยังเดินจะยืนมันได้ทุกอย่างทุกเรียหมดได้หมดแล้วว่าเวลาที่เลิกจากการฝึกการจําจะเดินไปไหนมาไหนจะทำอะไรอยู่ที่ไหนจิตมันลึกถึงภาพดิงกองนั้นไปเสมอ นี่เขาทำกันแบบนี้นะทำแบบได้ดีกันนะนึกถึงภาพดิ่งก่อนนั้นให้ได้ดิ่งก่อนนั้นมันนึกติดใจอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้วาว่าในขณะที่อารมณ์จิตยังเป็นคณิกะมสมาธิไม่มีทางาำ่าตลอดเวลาบังคับไว้มันทรงอยู่ถึงสามสี่นาทีมันยังไม่ค่อยจไหวแต่ก็อย่าท้อใจพยายามทําไปเรื่อยเวลาฝึก ต่อหน้าดินกอง น, นั้นก็นึกถึงภาพดินเวลาทํางานอย่างอื่นอยู่เขาไม่จังหวะว่างนึกถึงภาพดินกอง น, นั้นเดินไปไหนก็ตามไปทุร lact ไหนก็ตามนึกถึงภาพดินกอง น, นั้นจะยืนอยู่จะพักอยู่จะนอนอยู่ก็ตามก่อนจะหลับนึกถึงภาพดินกอง น, นั้นพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆจิตจับภาพดินกอง น, นั้นให้ทันที นึกแค่ได้ทันทีมันจะนึกทรงไดยมากมัมากกว่ามถ้าใช้เวลาไม่มากจริงๆมันสายไปส่มาสายม า, สา ย, มาสายไปย่านี้ทีเรียกว่าคานิกาสมาธิยังเป็นสมาธิเล็กน้อยต้องสู้กันให้แหลกสมาบัดแป ด, แปดไม่ใช่ของเบามีสภาพเหมือนก็ยบยกภูเขาลูกใหญ่ๆแต่ก็สำหรับ ถว่าสมมุติว่าท่านเดดย้อนถามว่าท่านผู้พูดนี่หนักใจไหม <c oughs> ก็ต้องขอตอบว่าพูดให้ฟังไม่หนักใจแต่เวลาปฏิบัติมันก็หนักหน้าดูมันหนักอยู่ตอนเดียวเท่านั้นตอนต้นคือจะฟัจจุดินนี่แหละจะนั่งจําดินนั่งจําทรายนั่งจำอะไรข้างหน้านี่ไม่ใหม่มันไปเดียวเดียวบางทีไม่ถึงครึ่งนาทีมันโดดหนีไปซะแล้ว อ้โดดหนีไปนึกไปออกก็ลืมตา ม, มันดูใหม่วันนี้ไม่ต้องว่าอะไรกันว่าแค่คณิกาสมาธิก็พอเพราะตัวนี้มันเป็นอารมณ์สร้างความกลุ่มเนี่ยที่ทำก็ไม่ได้เพราะจไม่ได้เพราะจาไม่ได้นา น, นะเข้าก็เกิดอาการกลุ่มกลุ่มเขาเลยทำไงเลิกบอกเส้นลาบอกว่าทนไม่ไหวนี่เพ่งกันมานับเป็นสิบนาะทีร่วมทากันอะ ไม่ไม่ใช็นับเป็นหนึ่งสองสามไม่ทีเพ่นนะทนไม่ไหวบอกไปเอาแล้วขอแต่ไหวบังคมลาแย่ที่ท่านี้ไม่สู้สู้ไม่ไหวเลิกไป <c oughs> นี่หากว่าจะมาถามว่าท่านบุคูลทําได้ไหมก็ต้องบอกว่าต้องตอบอย่างนี้นะมันเหมาะดีนะก็ให้ไปถามลุพ่อปานเพ่อนดูก็แล้วกันวาจะมาทําได้ไหม ถ้าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าทําได้ก็ทําได้ถ้าหลว่าปานท่านบอกว่าทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้ก็หมดเรื่องกันจะมานั่งถามกันทำไมเพราะการที่บายนี่ไม่ได้อพงมาใช้เอาตําราของพรุทธเจ้ามาพูดกันแล้วก็เอาวิธีการเขาบุคคลที่เขาปฏิบัติมันแล้วมาพูดให้ฟังไม่ใช่จะมานั่งโอโ้อโอดไร้คนพูดเนี่ยมันเก่งทุกอย่างทําได้หมดไม่เก่งงั้น เพราะว่าขอได้โปรดทราบวันนี้เป็นคำสอนข อ, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนอัตมาได้วิธีการปฏิบัติก็เก็บมาจากบุคคลหลายคนที่เขาปฏิบัติกันแล้วมันมีสภาพเป็นอย่างนี้มาเล่าให้ฟังสำหรับในตอนนี้ก็เสร็จนี้เห็นว่าหมดเวลาเส้นแล้วเพราะว่าถ้ามากไปกว่านี้แล้วก็เวลาถ่ายทอดเป็นขาดหน้าขาดหลัง สำหรับในตอนนี้ก็ขอยุติวัาตเพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านรมโยคาวจรทั้งหลายที่มีความสนใจในสมาบัติแปดจงทรงอธิบาทสี่ให้ครบถ้วนและผลจะพึงมีกับท่านโดยฉับพลันสวัสดี